สำหรับต่อไปนี้ก็จะข อ, อนำข้อวัดปฏิบัติตามที่รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์สอนมาในสมัยที่ผมปฏิบัติจะเป็นทุดดงหรือไม่ทุดดงก็เหมือนกันหมายถึงว่าพระของเราทุกองต้องมีการปฏิบัติอย่างนี้เสมอกัน แล้วก็เมื่อท่านฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าอย่าหนักใจเกินไปเพราะบางทีท่านทั้งหลายเห็นผมแนะนําในการปฏิบัติว่าหนึ่งต้องทรงพรหมมิหารสีให้ครบถ้วนสองต้องมีอธิบาตสีให้ครบถ้วนสามต้องมีเจรณะห้าให้ครบสิบห้าให้ครบถ้วนสี่ต้องมี บารบมีสิบให้ครบถ้วนเป็นประจำในใจบางท่านที่เข้ามาเราคิดว่าโอ้โหนี่มันหนักอย่างนี้ชุรแต่ความจริงการปฏิบัติอย่างนี้ผมได้รับการฝึกมาก่อนนับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาอุปสมทบทบรรพชา หลวงพ่อปานได้ให้สัญญาไว้ว่าถ้าเวลาที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเธอจะต้องทรงอารมณ์อย่างนี้ได้เป็นปกติจึงจะให้บวชแล้วก็ข้อหนึ่งที่จะทรงอารมณ์ไว้ในใจให้เป็นปกติก็ ต, ตามที่ผมพูดบอกว่านิพานัสสัชิกิริยายะเอตังกาสาวังเหยตัว เพื่อแปลเป็นเจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัฒเพื่อให้แจ้งเพื่อทำให้แจ้งสิมพนันธ์ผ่านเมื่ออารมณ์นี้ต้องจะตั้งอยู่ในใจทุกวาระจิตเป็นว่ า, าการทั้งหมดคืนหนึ่งพรหมีหารสี่สองอิทธิบาทสามจารณะสิบห้าสี่บารมีสิบหก การปรารบุนิพาน์ทั้งหมดนี้จะให้ว่างจากจิตไม่ได้เลยต้องให้มีอารมณ์ทรงตัวอยู่เสมอและก็หลังจากนั้นท่านก็แนะนำให้อ่านวิสุทธิมัชวิสุทธิมัรทั้งสี่สิบข้อจำให้ได้ให้หมด นั่นกรู้วิสุธิมรรคทั้ง40ข้อทั้งหมดรู้นิมิตทั้ง40ข้อทั้งหมดอะไรเกิดขึ้นจะใช้อะไรเมื่ อ, อไรก็ได้ต่อไปหลวงพ่อปก็แนะนำํำว่าเรื่องของจริตหกทั้งหมดต้องคอยจับจิตของเราไว้เสมอว่ามันมีจริตอะไรจริตก็ได้แก่อารมณ์ มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นกับจิตของเราต้องใช้กรรมฐานที่เป็นปฏิปักษการมนั้นมาใช้ทันทีและในขั้นต่อไปก็ให้ระมัดระวังนิวรณ์ห้าประการอย่ายอมให้นิวรณ์ห้าประการนี้มันเป็นเจ้าหัวใจเราจะต้องเป็นเจ้าของนิวรณ์ไม่ใช่นิวร์เป็นเจ้าของเราอันนี้เป็นสำคัญ เป็นแล้วก็ต่อไปทุกอธิยาบทจะต้องทรงคำภาวนาหรือพิจารณาไว้เสมอหรือว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกไว้ตลอดวันนี่เป็นคำสั่งและเป็นคำสั่งเมื่อสั่งแล้วต้องทำได้ด้วยไม่เค่สักแต่ว่ารับคำสั่งอย่างเดียวและหลังจากผมบทแล้วในวันนั้น หลงพ่อปานก็นําให้เข้าไปอยู่ในป่าชาการอยู่ในป่าชาก็อยู่ในกระท่อมที่เขาเก็บผีแล้วเขาเก็บศพเข้าศพไปเผากระท่อมอยังเหลืออยู่แล้วก็อยู่ในกระท่อมนั้นแล้วก็ต้ให้ตั้งใจสมาทานทุดดงอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตามสมควรที่เราจะพึงปฏิบัติได้ เพื่อทรงความเป็นผู้มีความมักน้อยสันโดษขณะที่ท่านนำเข้าไปอยู่ในกระท่อมท่านก็มีคำสั่งว่าเหตุการณ์ ใ, ใดๆถ้ามันเกิดขึ้นจะเป็นเหตุร้ายแรงขนาดไหนก็ตามในเวลากลางคืนห้ามไปพบผมเด็กขาดจะพบได้แต่เฉพาะเวลากลางวันเท่านั้น ก่อนจะกลับท่านก็มีคำสั่งว่าถ้าคุณงดการภาวนาเมื่อไรขณะที่ยังเตือนอยู่ผีจะหักคอตายเมื่อนั้นนี่คำสั่งในการปฏิบัติอย่างนี้ท่านทั้งหลายเห็นว่าหนักเกินไปไหมสำหรับท่านแต่ผมไม่รู้สึกว่ามันหนัก มเมื่อได้รับคําสั่งก็รู้สึกว่าของ ก, กล้วยๆแบบนี้นะหรือมาสั่งเราแต่ถ้าว่าเวลาที่ทนสั่งท่านก็ถือตามแบบฉบับไม่ได้ถือว่าเป็นของหนักก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นของเบาทั้งนี้เพราะอะไรเพราอว่าเราจะต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราบวชเข้ามาเพื่อนอนิพนธ์ หรือว่าบวชเพื่อทำหรือว่าบวชเพื่อทาที่สุดของความทุกข์หรือว่าบวชเพื่อหาความดับไม่มีเชื่อให้ได้หรือว่าบวชเพื่อเข้าถึงโมกกธรรมคือทำเป็นเครื่องพ้นจากกิเลสนี่การบวชจริงๆเขาบวชกันแบบนี้แต่ว่าเห็นว่าเครียดเกินไปผมก็รู้สึกว่าท่านเป็นคนที่น่าสลดใจอย่างยิ่ง ในพยายามปฏิบัติอันดับแรกท่านสอนให้รู้จักความทุกข์เรื่องตัวทุกข์นี่เราจะต้องพยายามหาให้พบเรื่องอารมณ์ฟุ้งซ่านนี่เราไม่ต้องพูดกันมันจะสร้างขึ้นมามากไม่ได้ในเมื่อเราตั้งใจเฉพาะอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งโดยเฉพาะ จะเป็นคำภาว น, นาก็ตามจะเป็นการพิจรารณาก็ตามจะเป็นการเพ่งภาพกะสินก็ตามเมื่อเราใช่อารมณ์ให้ทรงตัวอยู่อารมณ์ฟุ้งซ่านมันซ่านเหมือนกันแต่มันซ่านมากไม่ได้เพราะเราคอยระวังอันนี้ก็ขอให้ถือเป็นข้อวัดปฏิบัติขอมันดาพวกท่านทั้งหลายผมมอบภาระนี้ไว้แก่พวกท่าน เพราะว่าถ้าบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแล้วหากว่าพวกท่านไม่ปฏิบัติตามนี้ก็สแสดงว่าสักแต่เพียงว่าบวชเท่านั้นถ้าเราบวชกันเพียงแต่สักว่าบวชนั่ก็หมายความว่าเราลงทุนซื้อนรกมันจะเกิดประโยชน์อะไร ในการปฏิบัติแบบนี้คําสั่งต่อไปก็คือว่างานคันธทระทุกอย่างถ้ามีขึ้นพวกคุณจะต้องทําด้วยหนึ่งการศึกษาจะต้องศึกษาด้วยรายการในสองงานก่อสร้างของวัดถ้มีขึ้นต้องทําด้วยราการในสามสิ่งใดที่เป็นของสงที่เห็นว่าไม่สมควรจะอยู่ในที่นั้นต้องจัดทําด้วย อย่ารอรับคำสั่งเป็นสำคัญแล้วสิ่งทั้งหมดนี้พวกเราก็ต้องทำจนจบคำสอนนี้ท่านสอนคราวเดียวท่านจะไม่ยอมซ้าคำสอนหรือว่าสอนซ้ำถ้าคำสอนใดถ้าเราไม่เข้าใจต้องไปถามท่านว่าข้อนี้ผมยังไม่เข้าใจครับ แต่ว่าเราไม่เข้าใจท่านพร้อมที่จะแนะนําให้แต่ถ้าเข้าใจแล้วดังปฏิบัติไม่ได้ท่านถือว่าพวกเราเป็นเปรตเตนหน้า่านจะบอกว่าพวกเปรตเดินมาแล้วไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตยรชนันไม่ใช่สุรกรายเป็นเปรตเพราะอะไรเพราะว่าพวกเปรตนี่เช่นประลัฐ์ทัตโตะชีวีเปรต จะมีชีวิตยอยู่ได้เพราะอาศัยชาวบ้านเขาสงเคราคือทิศส่วนกุศลให้เนี่พวกเราที่เป็นพระก็เหมือนกันความเป็นอยู่ต้องอาศัยชาวบ้านเป็นสําคัญคือว่าชาวบ้านเขาต้องให้ข้าวให้น้ําให้อาหารให้การบริโภคให้สถานที่อยู่ให้ยารักษาโรคให้ที่อาศัยนี่เป็นของชาวบ้านเขาทั้งหมด เราจะมีชีวิตได้กับราะอาศัยชาวบ้านเป็นสำคัญแต่หากว่าเราทำตัวไม่สมควรกับสมณวิสัยก็มีสภาพเหมือนเปรตคอยขอส่วนบุญกับชาวบ้านเท่านั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้อนี้ขอรนดาท่านหลายจงจำไว้นิ ว, ว่ากันถึงอารมณ์ฟุ้งซ่านของจิต มันก็แก้ยากไม่ใช่แก่ง่ายผมขอแนะนำปเป็นเบสิสเพราะว่าในสมัยพวกท่านนี่มีความสบายมากอุปกรณ์ในการช่วยเหลือมีมากเหลือเกินมีมากล้นสมัยผมนี่ไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีเครื่องช่วยอะไรเลยการะับความพุ่งสร้างของจิตแล้วก็ทำกันได้หลายวิธี ไดยอ่อพ้อยอย่างยิ่งเราก็คุมอารมณ์คือลมให้ใจเข้าออกกับคำภาวนาเป็นพื้นฐานและข้อสำคัญอีออันหนึ่งคือว่าตีระฉานนาคาถาวาจาที่ปรารบความรักในเขตความรักในวัตถุวาจาที่ปรารบความร่ํารวยคือความโลภวาจาที่ปรารบความโกรธความพาาทียบบั จองล้างจองปลาญซึ่งกันอะไรกันวาจาบรรพความหลงคือถือว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเราโน่นเป็นของเราวาจาประเภทนี้จงอย่าเข้าไปสนใจอย่าเข้าไปโม้สมอย่าคุยกันเรื่องนี้เห็นเขาใครเขาคุยกันเรื่องนี้ถอยออกไปทันทีเท่ากาที่จะ ถ, ถอยไม่มีจับอารมณ์ภาวนาและพิจารณาไว โดยพิจารณาคิดว่าคนพวกนี้เกิดมาแล้วเป็นมนุษย์แต่โอกาสข้างหน้าที่จะตายไปแล้วจะกลับมาเป็นมนุษย์อีกต้องใช้เวลาเป็นแสงกลับเพราะว่ายังมีอารมณ์หมกวนอยู่กับกรรมที่เป็นอกุศลวาจาของบุคคลประเภทนี้เป็นวาจานำทุกมาให้เราไม่ต้องการ เราต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ละคิดอย่นี้นะที่ทั้งหมดนี้จะบันทึกเสียงแล้วก็แจกจ่ายกันไปแล้วจงจดจำเอาไว้จาแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยสำหรับอารมณ์ฟุ้งเป็นเรื่องธรรมดาการบังคับอารมณ์ฟุ้งมันเป็นเรื่องยุ่ง ต่ได้ว่าถ้าหาว่าท่านปฏิบัติตามอารมณ์ที่กล่าวมาแล้วจริงๆไม่มีอะไรยุ่งทุกอย่างเอาให้ครบทามันเสรครบใช่อารมณ์ควบคุมให้ครบมันจะไปยุ่งตรงไหนมันไม่มีเวลาให้ฟุ้งการป้องกันอารมณ์ฟุ้งอย่างของเราแบบวิธีง่ายๆ ก็เปิดเครื่องบันทึกเสียงเบาๆถ้าอยู่ห้องร่วมกันก็ใช้หูฟังเครื่องฟังวางใกลห้หูเวลานี้ท่านมีอุปกรณ์ช่วยมากสมัยผมไม่มีการเปิดเครื่องบันทึกเสียงฟังคําสอนนี่เป็นของดีที่สุดจิตใจของเราจะอยู่ในอารมณ์นั้นอยู่ตลอดเวลา มันจะฟุ้งบ้างก็ปล่อยมันเั็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ปล่อยแล้วเราดึงมันไม่ไม่ไหวก็ ม, มีความรู้สึกขึ้นมาใหม่ก็ดึงเข้ามาใหม่เวลาฟังตั้งใจฟังฟังแล้วก็คิดตามตั้งใจคิดคิดตามไปด้วยนี่เวลาที่เราจะใช้คําวัตถุ ผมขอใช้สัพพวนาสั์เดียวเพราจะใช้อะไรก็ได้ตามกรรมฐานที่ท่านต้องการอย่าลืมว่าวิสุทธิมัติเวลานี้เราไม่ต้องอ่านอ่านคู่มือมีความเข้าใจมากกว่าคู่มือปฏิบัติเพื่อกรรมฐานก็คือวิสุทธิมัติดัดแปลงแก้ไขสำนวนให้เข้าใจง่ายเท่านั้นทุกอย่างเหมือนกันหมด และก็ตัดทอนบางสิ่งบางอย่างที่เรียกว่าฟุ้งเกินไปเลยวิสัยที่เราจะพึงทำได้ไม่ใช่ว่าของดีนะรี่ว่าเป็นสำนวนที่อธิบายมากเกินไปเหมาะสมัยนั้นออกเสียแต่หากว่าจะให้ดีแล้วก็ท่านมีเสียงท่านเอานังสือคู่มือปฏิบัติเรกรรมฐานไปอ่านบันทึกเสียงไว้ แล้วต้องการจะฟังอะไรตรงไหนนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้จงกรมอยู่เดินก็ได้เปิดแล้วก็ฟังตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระจ้อยู่หัวพระองค์มีพระราชภาราคิจมากพระองค์ก็ทรงฟังการเสียงจากการบันทึกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็หมายความว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจว่า อาจารย์ทุกองค์ก็ต้องนำอวัธรรมคําคสั่งสอนของ อ, ของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนไม่ใช่เป็นของตัวเองอันนี้ความเข้าใจไทยัยความบาทสมเด็จยีหัวทรงเข้าใจถูกอการถือสาย น, น้นอาจารย์สายนี้สายนั้นเลิกกันเสียทีอาจารย์ทุกอาจารย์ไม่ใช่พระศา ส, สดา ไม่ใช่จะเป็นผู้มีความสามารถสามารถจะสร้างธรรมะขึ้นมาสอนได้เองธรรมะที่มาสอนนี่เป็นของพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะเจ้านั้นผู้เราเราผู้ตระบริษัทก็เช่นเดียวกันต้องรับอปติปท า, าของระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวมาปฏิบัติตามพระองค์พระองค์มีพระราชภารกิจมากก็ยังสามารถทรงกระทำสมาธิจิตได้อย่างสูงส่ง ทรงมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนี่ก็ทรงมีสมาธิดีมากผมขอกล่าวว่าพระองค์ทำได้ดีมากดีไม่แพ้ที่พระที่เราเรียกกันว่าทำได้ดีแต่ถ้าจยาเอาพระเข้าไปเปรียบผมก็ถือว่าท่านทำได้ดีกว่าท่านนี้พ่อหลายพ่อพ ร, พระมีเวลาว่างมากกว่า แต่หา ว, ว่าทําได้ดีเท่าพระองค์ผงก็ถือว่าพระเนี่ยยังสู้พระองค์ไม่ได้นีที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไงเท่าที่รับฟังที่พระองค์ทรงตรงัสให้ทราบแต่ความจริงถึงแม้ว่าจะไม่ทรงตรัสให้ทราบเราก็หาข่าวกันจนได้แข่าวที่พระองค์ทรงปฏิบัติมีมาเสมอ วิธีปฏิบัติของพระองค์ก็คือหนึ่งนั่งทรงสุลทับนั่งฟังเทพจิตจับอยู่ในเสียงไม่ยอมให้จิตเคลื่อนออกไปจากเสียงแล้วทรงใช้พระปัญญาพิจารณาตามไปด้วยด้วยการนีสองเวลาบรรทมเปิดเทพฟังแล้วก็บังคับใ ห, ให้จิตหลับไป แล้วต่อมาเวลาบรรทมเปิดเทพฟังแต่บังคับจิตไม่ให้หลับหูจับอยู่ในเสียงจิตคิดตามเวลาทรงสเสด็จจงกรมผมถือว่าทรงจงกรมเพราะว่าทรงเสด็จเด็กพระดำเนินระเด็กพระราชดำเนินไปตามบริเวณสถานที่พักของพระองค์พระองค์ก็ใช้เทปบันทึกเสียงสะพาย ถ้าจะเดินหนึ่งชั่วโมงก็ทรงสดับสองหน้าถ้าหากว่าจะเดินสองชั่วโมงก็ทรงสดับสี่หน้าเทบแล้วก็เวลาพราะองค์ทรงสมาธิก็ทรงตั้งเวลาไว้เทปไม่เปิดให้มีเสียงเทปเคลื่อนไปเสียงดังแก๊ส ก, ก็ถอนสมาธิพอดี ถ้าต่อมาก็ทรงตั้งเวลาสมาธิเข้าตั้งสมาธิออกได้ตามพระราชธยาศัยเมื่อปฏิบติทายอย่างนี้ท่านควรจะปฏิบัติตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติไม่ยามว่างจะกิจการงานพระองค์ก็ทรงฟังเทพวันทึกเสียงฟังเทพวันทึกเสียงนี่ไม่ใช่ว่าฟังแต่ของผมนะ อย่คิดว่าเขาผมนั้นมันดีเลิศระเสริฐของผมผมก็อามาจากพระพุทธเจ้าของอาจารย์องค์อื่นท่านก็อามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉะนั้นผู้ท่านก็เหมือนกันเวลาจะฟังคําสอนก็ควรจะฟังคําสอนจากอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้ผมไม่ห้าม ไอเรื่องห้ามนะจะเห็นว่าผมไม่ห้ามผมบอกแล้วว่าท่านจะไปที่ไหนกันให้บอกผมก่อนถ้าจะไปพักวัดไหนต้องบอกผมก่อนแล้วผมจะไปติดต่อกับอาจารย์องค์นั้นเพื่อให้ความสะดวกในความเป็นอยู่อาการอย่างนี้ที่ผมแจ้งให้ทราบก็แสดงว่าผมไม่ห้ามการที่จะฟังคำสอนจากพระองค์ไหนเพราะว่าผมเองผมก็ไม่ใช่菩 า, าสดา ไม่ยึดพันอยู่ไม่ได้รู้อะไรเสียทั้งหมดถ้าผมรู้ทั้งหมดผมก็เป็นพระพุทธเจ้านี่ผมไม่ได้รู้เสียทั้งหมดทุกอย่างจึงต้องการให้ทันรับฟังจากบุคคลอื่นบ้างเพราะว่าข้อปลีกย่อยหรือว่าสิ่งสําคัญที่เราปฏิบัติที่ได้มามันไม่เหมือนกันแต่ความจริงความรู้นั้นก็เป็นของพระพุทธเจ้า การรับมามันเป็นเรื่องของความสามารถแต่และบุคคลเราสามารถจะบรรจุจุดไหนได้แบกอย่างชิ้นไหนได้ก็แบกมาเฉพาะชิ้นของพระพุทธเจ้ามีจริงๆมีถึงแปดหมืนสี่พันชิ้นที่บรรดาพระสาวกทั้งหมดจะสามารถแบกมาทั้งหมดแปดหมืนสี่พันชิ้นนั่นไม่ได้ก็แบกมาตามกําลังของตัว นี่เป็นการแนะนำนี่ที่แรกผมอยากจะแนะนำเรื่องการท่านฟังเสียงเทพก็เลยไม่ต้องแนะนำแล้วให้ถือปฏิปทาของประบาดสมเด็จพิเศยหัวเป็นสำคัญและพระองค์ก็ทรงมีพระปีชาสามารถเฉลาดในการคิดฟังและก็ต้องคิดด้วยอย่าสักแต่ว่าฟัง ฟังแล้วคิดไปไข้ครวรตามไปเวลาจะนอนเปิดเครื่องบันเทึกเสียงเตียเปิดเสียงดังใช้หูฟังจะได้ไม่รำคาญชาว บ, บ้านเอาเครื่องฟังหูฟังไว้ใกล้ ๆ, ๆหู <c oughs> อันนี้ผมเข้าใจก็ ว, ว่าของผมมีผมทดล่งลองแล้วทุกอย่างมันฟังได้ชัดเจนไม่ต้องแย่เข้าไปในหูวางไว้ใกล้ๆฟังได้แบบส บ, สบายๆ ถ้ามันอยากจะหลับปล่อยให้มันหลับไปกับเสียงธรรมะเราชอบข้อไหนฟังข้อนั้นเราสนใจข้อไหนฟังข้อนั้นอะไรที่ยังไม่มีในเทปบันทึกเสียงที่มีในหนังสือเราก็มาบันทึกของเราเองเพื่อความเหมาะสมของเราเองนี่การกระทำตามปฏิปทาของพระบาทสมเด็ดจพระเจ้อยู่หัว จะเป็นการระงับฟังความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดีไม่ต้องไปหาที่ไหนนละ้หมดกันแล้วไม่ต้องไปจ้องนนจ้องนี่จ้องนั่จ น, นจ้องอะไรก็ฟังมันเสเรื่อยๆไปให้หูมันอยู่กับเสียงฟังนี่นก็เรื่องอไรลนะ่ะทําไมมันจะจิตมันจะซ่านมันก็ซ่านบ้างเป็นของธรรมดาแต่ถ้าว่า เวลาที่เรารับฟังรู้เรื่องมันมากกว่าอารมณ์สร้านแม้จะมาฐานกองไหนเป็นที่พอใจของเราถือเป็นศรณะจับให้เป็นอารมณ์ไว้เป็นปกตินี่เป็นเรื่องขั้งการเริ่มต้นในการป้องกันการพุ่งสั่นเวลานั่งอยู่ทําตามองจุดใดจุดหนึง่งมองพระพุทธรูป มองแสงมองสีมองยอดไม้มองเพื่อดานกุฏิมองหมอนมองพาชนะให้จิตมันอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการรักษาอารมณ์ไมุ่ฟงัสานถ้าอยู่คนเดียวว่างๆเอาก็าไม้มันนั่งเคาะเวลาเคาะลงไปฟังเสียงเคาะถ้าจะให้ดีแล้วก็นับอาการเคาะโดวยว่าเคาะได้เท่าไหร่ ตั้งใจไว้ว่าเราจะเคาะถึงเท่าไร่เป็นที่สุดเป็นงวดหนึ่งแล้วก็หมดแล้วก็ตั้งต้นเคาะใหม่นับเป็นหนึ่งใหม่หรือว่าจะนาลูกประคำมาชักแล้วก็ใช้คำภาวนาหรือพิจารณาไปด้วยพิจารณาคนได้พิจร า, าจรณาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่งเริ่มภาวนาได้รอบหนึ่งก็ชักเม็ดหนึ่ง นี่เป็นวิธีแก้ฟูงสั่นให้มันสร้างอยู่ในขอบเขตของความดีนี่ปฏิบัตานี้ตามที่หลวงพ่อบานสอนมา ก, ก็ดีหรือว่าปฏิบาัต ท, าที่ประบาทสมเด็จเก้หัวทรงปฏิบัติดีขอท่านทั้งหมดจงนำไปประพฤติปฏิบัติให้ครบถ้วน <c oughs> ตากว่าท่านบอกว่าหมายมันยากเกินไป เครียเกินไปผมก็สลดใจเพราะว่าพระบาทสมเด็จเจ่าหัวพระองค์ทรงปฏิบัติมาได้แล้วก็ปฏิปทานนั้นผมก็ปฏิบัติมาได้ทําไมจึงจะบอกว่ายากเกินไปแล้วทําไมจึงจะบอกว่าเครียเกินไปถ้ายากเกินไปเครียเกินไปก็สแสดงว่าท่านไม่ได้ตั้งใจบวชเพื่ อ, อความดีสักแต่ว่าบวช อาศัยพระศาสนาหากินสภาพของท่านก็คือเปรตนั่นเองไม่ใช่พระไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่อสุรกายก็คือเปรตเราสําหรับการแนะนําสําหรับตอนนี้มองดูคัศเศตก็พอจะหมดเวลาเพราะมันสิ้นเวลามา27นาทีก็อขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้คอยรับฟังคัศเศตหน้าต่อไป